ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านเองร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นผู้สิ้นพบสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังครองขันอยู่ปล่อยขันเมื่อไรก็เป็นประมังสุขขัง ล, ล้วนเมื่อนั้นหมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิงดังนั้นเขาวิกิเล ต, ตัวเศร้าหมองมืดมนที่จอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงตําหนิสาบแช่งมาตลอดกาลนั้นมันเป็นภัยต่อหัวใจของสัตว์โลกอย่างแท้จริงดังที่ทรงตําหนิ เพราะเป็นตัวปฏิเสธลบลา้างธรรมที่แสดงว่าตามความสัตว์ความจริงว่าไม่จริงว่าไม่มีไม่เป็นมาตลอดไม่เคยยอมรับความจริงทั้งหลายแม้น้อยพอให้ได้ชมบ้างว่าเออกิเลสก็มีธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์โลกที่มันครอบครองเหมือนกันเช่นยอมรับว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเป็นต้นแม้จะปฏิเสธว่านิพพานไม่มีก็ตามก็ยังนับว่า กิเลสยังมีส่วนดีและเป็นพยานแห่งธรรมที่แสดงไว้ไม่ปฏิเสธลบล้างเสียจนหมดสิน้นสาตโลกที่อยู่ใต้อำนาจของมันยังมีช่องทางได้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์และพยายามละบาปบำเพ็ญ บ, บุญเพื่อไปสวรรค์กันบ้างไม่จมอยู่ในความมืดบอดและกองทุกน้อยใหญ่เพราะกลลหลอกลวงและการปิดบังของมันโดยท่ายเดียวแต่ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าชนิดใด มันเป็นโคดแทะของจอมหลอกลวงต้มตุนสัตวโลกให้มืดมิดปิตวาลและนอนจมอยู่ใต้อับนาสของมันทั้งสิน้นดังในพรานบุญนาหนงเล็บในพรานบาปนาเป็นตัวอย่างสดสดร้อนในสมัยปัจจุบันซึ่งถูกกิเลสขโมยกอ่อไฟไว้แล้วก็มาหลอกให้ในพรานเข้ากองไฟด้วยความคึกนองจับพระพุทรูปอันเป็นสิ่งวิเศษศักดิ์สิทธิ์โดยทํร ม, มาฝึกทหารและเขียนตีด้วยประการต่างๆจนกระทั่งเจอดี คือร่างกายเกิดผู้พองน้องไหลขึ้นสดๆร้อนต่อหน้าต่อตาจะเป็นแหล่จะตายแหล่เตรียมลงนรกทั้งเป็นทั้งตายขนาดนั้นจึงมีเทวบุตรมาโปรดใหเห็นโทษแห่งการกระทำของตนและได้กราบตัวมาทั้งทมยอมรับความจริงว่าบาปมีบุญมีจึงรอดพ้นภัยพิบัติไปในเวลานั้นไม่ถูกกิเลสตัวพาใหมืดบอดลากลงนรกทั้งเป็นเสียทีเดียวชนิดจมไปเลยไม่มีวันโป ร, ราชาวผู้ทั้งหลาย จึงควรพิจารณาไตรตรองด้วยดีในหลักความจริงแห่งธรรมที่จอมปราแสดงไว้และความจอมปลอมของกิเลสที่คอยกระสิบหลอกลวงอยู่ภายในใจตลอดเวลาอย่าเห็นแก่ได้แก่กินแก่โคตรแก่กงอย่าเห็นแก่ตัวจัดอันเป็นสายทางให้ลบล้างทําลายทรัพย์สินสมบัติและจิตใจผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องกอไฟนรกเผาตัวทั้งมวลทำของปราดท่านสอนให้กลัวในสิ่งที่ควครกลัวโดยทำเช่นบาปเป็นต้น และสอนให้กล้าในสิ่งที่ควรกล้าเช่นบุญเป็นต้นซึ่งเป็นคําสั่งสอนที่ถูกต้องต่อความจริงโดยถ่ายเดียวไม่ผิดพลาดคลายเคลื่อนเลื่อนลอยเหมือนกลนลวงของกิเลสทุกประเภทใครเชื่อมันจมทั้งสิ้นไม่มีคําว่าฟื้นว่าฟูเหมือนความเชื่อทำคําว่ากิเลสกิเลสปราดทั้งหลายขยะขยงกันทั้งนั้นไม่มีท่านผู้ใดรักสนิทติดจมกับมันนอกจากผู้เชื่อกิเลสกลนลวงของกิเลสที่เสี่ยมสอนให้กเกลียดธรมและโลภลางธทำผล ก็คือไฟเผาตัวเท่านั้นส่วนกิเลสตัวหลอกลวงมันไม่ยอมมารับเคราะห์กรรมกับพวกเรานอกจากหลอกให้จมร่ําไปเท่านั้นจึงกรุณาพิจารณาด้วยดีสมกับเราเป็นมนุษย์ผู้ฉลาดและเป็นชาวพุทธเป็นบุตรดาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราดตลาดแหลมคมเหนือกิเลส ท, ทุกประเภทไม่ยอมหลงกลน ใ, นใดๆของมันเลยพวกเราชาวพุทธจงพยายามเดินตามครูด้วยความระมัดระวังทุกต้านทุกอาการและทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง สัมผัสกับตาหูจมูกกลิ่นกายใจอย่ายอมให้กิเลสจับโยนลงเหียวลงบ่อดได้จะเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนของดีไม่ได้ชมปล่อยตัวให้ลมจมไปทั้งชาติไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราทั้งหลายที่มีธรรมตะโกนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาตามครูอาจารย์ตามสถานที่ต่างๆและตามคำภีที่ท่านจะรึกไว้ไม่อดไม่อัน้นไม่ติบไม่ตันทันกับกิเลสตลอดไปไม่มีคาว่าธรรมคือความจนตรอกจนมุม ทำหมุนได้รอบตัวรอบด้านต้านทานได้ทุกแห่ทุกมุมที่นํามาใช้มาช่วยตัวเองจงอย่ากเกรงคำที่นําไปสู่ทางดีแต่จงกลัวกิเลสที่จะนําไปสู่ทางชั่วมั่วกับกองทุกข์สุขไม่มีวันเจอแบบคนหมดหวังทั้งที่ทยังมีชีวิตลมหายใจยอยู่ไม่สมควรแก่เราอย่างยิ่งจงอย่านิ่งนอนใจอย่าเห็นภัยว่าเป็นคุณอย่าเห็นบุญว่าเป็นบาจงเฉดลากว่าความชั่วและกองทุกข์ทั้งมวลเสียแต่บัดนี้จะเป็นคนดี สุกโตเป็นที่ไปไม่สงสัยในตัวเราเองสมกับธรรมท่านสอนไว้ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วดังนี้นับแต่เรื่องในพานบุญนาระชอนออกสู่ประชาชนทั้งบริเวณใกล้เคียงและกว้างขวางได้ทราบทั่วถึงกันแล้วต่างก็กลัวกันไม่กล้ามาทําปู่ยี่ปู่ยําเหมือนแต่ก่อนบริเวณถ้ำและแถบนั้นจึงเป็นสถานที่สงังหาวิเวกโคลนแก่การบาเพ็ญสมณะธรรม ของพระธุดงกรรมฐานทั้งหลายเพราะชาวบ้านแถบนั้นถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไม่กล้าไปทําอะไรตามใจชอบดังแต่ก่อนหลวงปู่ขาวท่านพาคณะลูกศิษย์ไปเที่ยวสูดงกรรมฐานและพักบําเพ็ญเพียรที่ถ้าครองเพนนั้นเห็นว่าที่นั่นสะดวกสบายทางร่างกายและจิตใจตลอดการบาเพ็ญสมณธรรมก็ อ, อํานวยอวยพรในความละเอียดแยกหายดีท่านจึงปร่งใจยอยู่สถานที่นั้นเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขัน ท่านได้ปลดปล่อยธาตุขันลงที่วัดถ้ำคลองเพลนตามวันเดือนปีดังที่ทราบกันเวลาท่านครองขันและปกครองพระเนนอยู่วัดถ้ำคลองเพลนท่านเมตตาให้อวาตแก่พระเนนเถนชีโดยสม่ำเสมอไม่ลดละ ป, ปล่อยวางเรื่อยมาทำที่ธันมักยกขึ้นแสดงในขั้นเริ่มต้นของการอบรมเสมอนั้นคือจตุ ป, ปาริสุทธิศีลคือหนึ่งอินทรียสังวรศีนได้แก่ การสัมรวมระวังอินทรีย์หคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดความยินดียินร้ายเกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธความโลภอยากได้ในสิ่งสัมผัสนั้นๆไม่ยิ่พอเพราะอายุธนาภายน6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตธนาภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องถูกต้องสัมผัสและ ธรรมารมณจากสิ่งที่มาสมัมผัสนั้นเพราะอายตนะภายในและอายตนะภายนอกดังกล่าวนี้เป็นคู่ปรับกันที่จะยังเรื่องต่างๆเข้าสู่ใจได้อย่างง่ายไายแต่แก้ไขทอถอนยากขณะที่ทั้งสองอายตนะอย่างแดะอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดเข้าสมัมผัสกันท่านจึงสอนให้ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาสําหรับนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ปล่อยให้อายตนะภายในมีตาเป็นต้น สัมผัสกับอายาณะภายนอกมีรูปเป็นต้นด้วยความไม่มีสติประทมใจผู้ตั้งใจสำรวมระวังตามที่ท่านสอนไว้ชื่อว่าผู้บำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสโดยลําดับและไม่ชักช้าต่อทางดําเนินจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไม่เนินนานเท่าที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายไปไม่ตลอดมักจอดจมงมทุกไปเสียปรอให้ยักโขยักิศีลว่าไปกินเสียในระหว่างทางวงเล็บเปิดระหว่างที่ปฏิบัติทำอยู่วงเล็บปิด ก็เพราะขาดความสํารวมระวังหรือไม่สนใจระวังสติปัญญาก็มีน้อยแต่ชอบสุก่อนหามและออกสู่สังคมยักษ์วงเล็บเปิดสนามแห่งอารมณ์อันเป็นภัยร้อยแปดพันเก้านับไม่จบวงเล็บปิดการสํารวมระวังก็เจงสติปัญญาหายเข้าป่าไปหมดปล่อยให้คนเก่งสู้เสือมือเปล่าสุดท้ายก็ขึ้นเคียงให้กิเลสราคาตันหาสับยําเป็นอาหารของมันย อ, อ, อย่างอริตร่อยสิ่งที่เด่นในตัวก็มีแต่สิ้นท่าดังนั้น การสำรวมในอินทรีย์หกจึงเป็นงานจำเป็นของนักบวชนักปฏิบัติอยู่มากผู้เคยปฏิบัติงานนี้ก็รู้เองโดยไม่มีใครบอกไม่มีงานใดๆหนักเทียบเท่าเสมอได้หนักก็หนักลำบากก็ลำบากเพราะตั้งท่าสำรวมระวังใจอันเป็นตัวการใหญ่ยอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถต่างๆทั้งตั้งท่าสู้ตั้งท่าถอถอนกิเลส ท, ที่เป็นลูกศรแทงอยู่ภายในทั้งตั้งท่าต่อสู้กิเลสซึ่งกำลังหลั่งไหลมาทางอายตนะภายในห ทั้งตั้งท่าชำระถอถอนกิเลสที่มีอยู่กับใจซึ่งกําลังก่อเรื่องวุ่นวายอยู่ภายในไม่มีงานใดหนักมากยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสการชำระ ก, กิเลสงานถอถอนกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟที่เผาไหม้คุกรุนอยู่ภายในใจตลอดเวลานี้ปราดทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นต้นท่านถือเป็นงานระดับไตราภพใครเรียนจบคนนั้นพิเศษโดยไม่ต้องหาใครมาเสกสรรปั้นย่อว่าดีว่าพิเศษแต่ดีเองพิเศษเอง โดยหลักธรรมชาติของธรรมที่ผู้เข้าถึงพึงทราบเองโดยสันติโกไม่สงสัยไม่เป็นอื่นงานสำรวมอินทรีย์นี้ครั้งพุทธกาลยังนำมาเป็นคู่แข่งกันได้ทางนี้เพราะใครรักษาอายตนะใดก็อยากรากับไม่มีอายตนะใดและใครรักษายากละบากเท่าอายตนะที่ตนรักษาอยู่เช่นปัญจพิคุภิกษุห้ารูปต่างรักษาคนละอายตนะรูปหนึ่งรักษาตาเกี่ยวกับเวลาเห็นรูปโดยเฉพาะ องหนึ่งรักษาหูเกี่ยวกับเวลาฟังเสียงโดยเฉพาะองหนึ่งรักษาจมูกเกี่ยวกับเวลาดมกลิ่นโดยเฉพาะองหนึ่งรักษาลิ้นเกี่ยวกับเวลาลิ้มรสโดยเฉพาะองหนึ่งรักษากายเกี่ยวกับเวลาถูกต้องสัมผัสกับสิ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆโดยเฉพาะเฉพาะไม่ทั่วไปกับอายตนะทั้งหลายเวลามาสนทนากันต่างเขาคุยอวดว่า อยายัตนะที่ตนกําลังรักษาอยู่นั้นยากลําบากกว่าการรักษาอยายัตนะอื่นๆจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นเพราะไม่มีใครยอมรับของใครว่ายากเหมือนอยนายัตนะที่ตนรักษาอยู่และไม่ยอมให้ความเสมอภาคในการรักษาอยายัตนะของกันและกันจนพระพุทธเจ้าทรงตัดสินให้และประทานพระโอวาทว่าไม่ว่าอยายัตนะใดมันรักษายากด้วยกันนั่นแหละเพราะตาก็อยากเห็นรูปสวยๆงามๆที่พึงตาพึงใจ หูก็อยากฟังเสียงอันไพเราะเพราะพริงจมูกก็อยากสูดดมกลิ่นที่หอมหวนชวนให้รื่นเริงลิ้นก็อยากลิ้มรสอันโอชากายก็อยากสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสัมผัสอันอ่อนนุ่มนวลชวนให้เพลิดเพลินตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอทั้งนี้เพราะใจเป็นสําคัญของอายตนะ น, นั้นใจเป็นตัวคึกตัวขนองอยู่ตลอดเวลาเมื่อสนใจมองความผิดถูกชั่วดีประการใดขอให้ได้อย่างใจที่อยากที่ต้องการก็เป็นพอ จึงทำให้อายตนะทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกังหันหมุนไปตามอารมใจองค์เล็บเปิดอารมณ์กิเลสบีบบังคับใจให้ดิ้นรนองคเล็บปิดการรักษาแต่ละอายตนะต้องรักษาใจไปในขณะเดียวกันเพราะใจเป็นตัวการให้อยากเห็นอยากได้ยินอยากสูดกลิ่นลิ้มรสสัมผัสไม่มีเวลาสิ้นสุดยุติ ใจเป็นตัวอยากตัวหิวโหยตัวเสาะสแสวงใจจึงใช้เครื่องมือคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเลินออกหาอารมณ์ต่างๆนงเล็บหาอาหารแต่ส่วนมากเป็นยาพิษจำต้องรักษาใจด้วยสติพินิษพิจารณาด้วยปัญญาอย่าให้ออกเพ่นพ่านเกี่ยวเกาะในสิ่งเป็นภยัยใช้สติควบคุมใช้ปัญญาพิพจารณาไตรตรองอารมณ์ที่เกิดจากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ให้รู้เห็นตามความจริงของสิ่งนั้นๆั้ใจจะไม่ไปไปยินดียินร้ายรักชังเกลียดโกรธใจจะย้อนเข้าสู่ความสงบเย็นไม่เป็นภาระ ก, กังวลกับสิ่งใดๆภายนอกเมื่อจิตอินตัวในความสงบแล้วก็ออกพิจารณาอายตนาัภายในคือตาหูจมูกกลิ่นกายซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นและพิจารณาอารมณ์กับใจที่คลุมเืกันอยู่อย่างแนบสนิทราวกับเป็นอันเดียวกัน การพิจารณาร่างกายตามแต่ถนัดทางอาสุภะอาสุพังหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเป็นธาตุเป็นขันตามความสะดวกและถนัดใจการพิจารณาอารมณ์ของใจในเบื้องต้นมักประสานกับสิ่งภายนอกเช่นรูปเป็นต้นแยกแยะตลบทบทวนจนเข้าใจทั้งอารมณ์ว่าเป็นสิ่งที่แฝงหรือแทรกซึมมิใช่อันเดียวกันขับใจพิจารณาจนเป็นที่ขวใจในงานของตนโดยถืออายัตนยาภายนอกกับอายัติยนาภายใน เป็นที่ทำงานทางสติปัญญาสัทธาความเพียรไม่ละละทอ้อถอยเมื่อพิจารณารอบแล้วส่วนที่พร้อมจะหลุดลอยออกไปจากใจส่วนที่จริงจะเป็นคู่เคียงของใจและสนับสนุนใจให้ดาเนินงานด้วยความสะดวกคล่องตัวต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้เมื่อประธานพระโอวาทเกี่ยวกับการรักษาอายตนะสิ้นสุดลงพระทั้งห้าองค์นั้น ได้สำเร็จร Hathapoom ต่อพระพักของพระศาสดาสิ้นภาระกังวลขับการระหว่างรักษาอินทรีย์แบบนักโทษในเรือนจําแต่บัดนั้นพร้อมทั้งการยุติข้อทะเลาะวิวาทกันดังนั้นการรักษาอินทรีย์เกี่ยวกับอายุนะหกจึงเป็นสิ่งที่รักษายากมากเสมอกันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะเป็นทางผลักดันของกิเลสตัวมหาอํานาจด้วยกันกิเลสออกทางใดถ้าไม่มีสติระวังตั้งตัว มีปัญญากลั่นกรองด้วยดีแล้วต้องลมทั้งหายคันทั้งนั้นไม่มีใครกล้ามาคุยอวดว่าเก่งกล้าสามารถและบริสุทธิ์พุทะได้เพราะการปล่อยตัวปล่อยใจเลยดังนั้นจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลจึงเป็นธรรมจาเป็นและสําคัญมากในวงชาวพุทธและนักปฏิบัติสําหรับผู้เขียนแล้วไม่อาจเอื้อมกับกิเลส ท, ทุกชนิดทั้งที่ไม่มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับมันหารสู้กรจบไม่มีทางชนะมันได้เลย เพราะท่านผู้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นบุคคลวิเศษขึ้นมาให้โลกกลาวหว้บูชาเป็นหวัญตาขวัญใจยอยู่เวลานี้ล้วนเป็นผู้เหนียวแน่นแก่นนักรบจบพรหมจรรย์ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นสองปาฏิโมกสังวรศีลสำรวมระวังพร้อมกับการรักษาตนด้วยศีลในพระปาฏิโมกไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิขาบทน้อยใหญ่อันเป็นบัญญาและทางดําเนินอันดีงามของนักบวชศีลในพระปาฏิโมกมีสองอยี่สิบเจ็ดข้อ อนุบัญญัติที่ทรงบัญญัติในลำดับต่อๆมามีมากถ้าเทียบแล้วที่มาในพระปาทิโมกมีเพียงนิดเดียวที่มานอกปาทิโมกมีมากมายหลายร้อยหลายพันข้อผู้เป็นลูกศิษย์ที่ดีเดินตามครูคือาศาสดาย่อมเคารพในศีลอันเป็นฝ่ายพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนาศาสดา 3. อาชีวาปาริสุทธิศีลเลี้ยงชีพแบบพระแบบลูกศิษย์พระตถาคตเช่นเที่ยวบินถาตด้วยกําลังปลีแข่งมามาบริโภคขบฉัน ไม่สแสวงหาด้วยคนมารยาปิ้นป้อนหลอกลวงปัจจัยสีได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผู้ให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับก็รับด้วยความบริสุทธิ์ในการสแสวงหาและการรับไม่มีเล่ห์กลแฝงอยู่แบบโรคที่เป็นกันสแสวงหาแบบพระฉันแบบพระอยู่แบบพระแท้สอยปัจจัยสีแบบพระล้วนไม่ฟุ้งเฟอ้อเห่อขนองตั้งอยู่ในธรรมสันโดษมากน้อย อันเป็นพื้นฐานความเป็นของความเป็นอยู่และการดำเนินของพระผู้มีอาชีวประเสริฐที่ศีลเป็นเครื่องประดับเพศจะอดหรืออิ่มก็งดงามในเพศไม่ข้ามเขตข้ามแดนแห่งความสวยงามของพระทำข้อนี้เป็นเครื่องประดับปากประดับท้องและประดับเพศของพระให้สวยงามไม่มีวันจืดจางตลอดอวสานสปัจจัยสันนิติสิติศีลสารวมระวังเพื่อความบริสุทธิ์ในปัจจัยสี่ที่ตนอาศัย ไม่โลเลในอาหารปัจจัยต่างๆอันเป็นทางไหลามาแห่งบนทินความไม่ดีทั้งหลายปัจจัยเครื่องเครื่องอาศัยของสมณะนั้นมีสี่คือจีวรนเครื่องนุงคมตามเพศของพระมีขนาดความสั้นยาวพอดีกับเจ้าตัวผู้ครองสีย้อมด้วยน้ําฝาดที่ท่านเรียกว่าผ้ากาสาวะผ้าที่ย้อมด้วยน้ําฝาดที่ต้องมีประจําองค์พระขาดไม่ได้มีอยู่สามผืนคือจีวอนสังคาติ อันตระวาสศกคือผ้านุ่งนอกนั้นก็ผ้าอังสะผ้าอาบน้าฝนและผ้าบริขารเครื่องใช้สอยเล็กๆน้อยๆบินธบาตคือก้อนข้าวคืออาหารพื้นที่โลกอาศัยรับประทานกันเป็นอาชีพตลอดมาอาหารหวานข้าวที่ไม่ปิดพระวินยัยจัดเข้าในบินธบาตด้วยกันที่พระผู้บวชแล้วต้องอาศัยเช่นโลกทั่วไปเสนาสนะที่อยู่อาศัยหลับนอนและบาเพ็ญสมณธรรมตามอิริยาบถ อัธยาศัยของผู้ไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายเช่นรุกขมูลล่มไม้ตามถ้ำเงื้อมผาในป่าในเขาหลังเขาไลเขาชายเขาป่าช้าป่าชัดและกระตอเล็กๆพอหมกตัวหลับนอนและบำเพ็ญธรรมในวันคืนหนึ่งๆเหล่านี้ท่านเรียกว่าเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยอันเหมาะสมสำหรับพระผู้บวชและปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความหมดพ้นจริงๆเสนาสนะเหล่านี้ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่บาเพ็ญได้เป็นอย่างดีถ้าจะนําออกประกวดดังโลกเขาประกวดวัตถุต่าง ๆ, ๆกันโดยพระพุทธเจ้าทรงนําออกประกวดด้วยพระองค์เองมิเช่ครังกิเลสนําออกประกวดก็น่าจะได้คะแนนนําตามหลักศาสนธรรมมีหน้าเป็นชนิดรู้ๆล้าๆแน่นน้ำมันคงสวยงามหลายชั้นหลายเชิงหลายห้องหลายหับราคาแพงๆจะเป็นคะแนนนําเสนาสนะที่เป็นคะแนนนาในครั้งพุทธการท่านนิยมและสนใจกันมาอย่างนั้น นับแต่พระบรมศาสดาเป็นลาดับมาถึงสาวกทั้งหลายไม่ได้กล่าวไกลกันถึงกับประกาศไปในธรรมทั้งหลายอย่างเปิดเผยคนพุตรทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามสืบทอดกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากต่อมาสารนาของโลกชาวพุทธเราทัานมาอุบัติขึ้นตามเสนาสนะอันอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่ส่งเสริมอัตถรมโดยถ่ายเดียวดังกล่าวนี้แทบทั้งนั้นเพราะเป็นสถานที่ให้ความสะดวแกแคร์การอยู่ การบมเพลนการพักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัยของผู้เห็นภายในวะตาสงสารด้วยใจจริงพุทธะธรรมะสังฆะมาเกิดขึ้นในที่เหล่านั้นและเกิดได้ง่ายกว่าที่เกลื่อนกลนวุ่นวายซึ่งร้อยทั้งร้อยมักเป็นที่เพาะและบำรุงส่งเสริมกิเลสวัตรเพื่อกรรมวัตรวิปากวัตรเป็นกงล้อกงจกักหมุนไปเวียนมาเป็นวงเป็นวงกลมหาทางออกไม่ได้ราวกับมดแดงไต่ขอบลงฉะนั้นสรุปความแล้ว เสนาสนะหนังที่ทำแสดงไว้แล้วมีรุกขมอรเสนาสนังเป็นต้นเหล่านั้นแหลเป็นเสนาสนะที่ทันสมัยและหนุนความเพียรเพื่อขับไล่กิเลสให้จนตรอกจนมุมและพังทลายออกจากใจได้ไม่เนินนานดังนั้นผู้ที่เริ่มบวชใหม่พระอุปชาจำต้องบอกสอนเสนาสนะที่เหมาะสมทันสมัยให้ทุกๆรูปเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่มีคำว่ารุขมอรเสนาสนังจะล้าสมัยธรรมชัยตัวผู้บวชถูกิเลสชุด ชุดลากบีบบังคับให้ล้าสมัยในธรรมเหล่านี้เสียเองจึงไม่มีที่คัดค้านสวาขาจะทำที่ตรัสไว้ชอบแล้วได้เรื่อยมาเพราะผู้มุ่งรู้เห็นธรรมภายในใจด้วยการปฏิบัติกิตตภาวนาตามทางศ า, ศาสดาทรงดําเนินและสอนไว้กับความรักชอบลุกขมูลร่มไม้ในถ้ำเนื้อผาป่าชา้าป่าชัดย่อมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นสถานที่เหมาะสมและสนับสนุนทางความเพียรได้ดีกว่าที่ทั้งหลาย แม้โลกนิยมว่าดีมีราคามากเช่นที่ย่านชุมนุมชนที่สร้างตลาดร้านค้าทำเลดีๆราคาแพงๆเนื่องจากธรรมและผู้สแสวงธรรมไม่เหมือนโลกแม้อยู่ด้วยกันเพราะความรู้ความเห็นความคิดอ่านไตรตรองต่างกันการอยู่และการส่อแสวงจึงต่างกันฉะนั้นสถานที่ธรรมนิยมดังกล่าวจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญธรรมอยู่โดยสม่าเสมอไม่มีคาว่าเครือลาสมัย แต่เป็นช้ยสมรภูมิที่ทันกับการตอกรกับกิเลสประเภทต่างๆเสมอไปตราบเท่าฟ้าดินสลายวงเล็บเปิดศาสนธรรมหมดจากความนับถือของหมู่ชนวงเล็บปิดนั่นแหละกีฬาณเพศัพว์คือยาแก้โรคภัยต่างๆที่ควรนำมาเยียวยารักษาเช่นโรคทั้งหลายเพราะธาตุขันของนักบวชกับธาตุขันของโลกถ่วไปย่อมเหมือนอนกันในความเป็นอยู่และการรักษาด้วยอาหารและยยาต่างๆ แต่ครั้งพุทธการรู้สึกจะมีหยุกยาน้อยผิดกับสมัยนี้อยู่มากแม้โรคก็น่าจะไม่พิสดารเหนือเมฆดังสมัยนี้เพราะยังขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมตลอดเครื่องส่งเสริมอยู่บ้างในอนุศาสตร์จึงมีเพียงฉันยาดองด้วยน้ำปัสสาวะหรือสมุนไพรบ้างเล็กๆน้อยๆไม่มากจนกลายเป็นสินค้าล้นตลาดดังสมัยปัจจุบันนี้สมัยนี้คนก็มาโรค ก, ก็มาหมอก็มากยาก็มา คนล้มตายเพราะโรคชนิดต่างๆที่ยาและหมอตามไม่ทันก็มากสมัยก่อนๆค น, คนมีน้อยโรคมีน้อยหยุกยาก็มีน้อยการตายเพราะโรคพิษสานเกินคาดก็มีน้อยใครๆจึงไม่กระตือรือร้นกับหยุกยาและหมอเหมือนสมัยปัจจุบันพระครั้งพุทธการตามตำราที่จ่าหรือไว้ท่านไม่ค่อยแสดงความกังวลและหนักใจกับโครคภัยไข้เจ็บใครามากนะักคาว่านายาติดตัวนั้นน่าจะไม่มี ถ้าจะมีก็เพียงมาขามป้อมสมอเพื่อแก่ความอ่อนเพลียเป็นบางเวลาของาธาตุขันเท่านั้นแต่สิ่งที่ท่านถือเป็นข้อหนักแน่นกว่าสิ่งใดนั้นน่าจะได้แก้มาผลนิพานจิตท่านหมุนไปทางด้านอัตธรรมเพื่อความหลุดพ้นมากกว่าจะหมุนมาหาความกลัวโรคภัยไข้เจ็บความลมความตายและหยุกยาความกลัวตายมีน้อยแต่ความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกิเลสแหลกองทุกนั้นมีมากวันคืน และอิริยาบถหนึ่งหนึ่งจิตท่านหมุนอยู่กับธรรมทั้งหลายคือศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมตลอดเวลาหากเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาท่านมักพิจารณาลงในสัจธรรมกลายเป็นเรื่องเยียวยาทั้งโรคข่าทั้งกิเลสไปในขณะเดียวกันไปอ่อนเปรียกเรียกหายาและหมอมาเป็นคู่ชีวิตจิตใจคู่พึ่งเป็นพึ่งตายจนเกินกว่าความพอดีของ พระผู้เชื่อธรรมเชื่อกรรมและเชื่อเชื่อสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงอันตายตัวเวลาปกติท่านก็สงบงามตาเวลาเจ็บไข้ได้ทุกท่านก็ไม่แสดงอาการทุรนทุรายระส่าระสายทึงเนื้อทึงตัวทิ้งกิริยามารยาทอันดีงามของสมณะมีสติประคองตัวไม่โศกเศร้าเหงาหงอยไม่ลืมอัดลืมธทมประจําใจแม้พระทูงกรรมฐานในสมัยปัจจุบันท่านก็ปฏิบัติต่อตัวท่านเองในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกต่างๆ เช่นเดียวกับพระที่กล่าวมาในครั้งพุทธกาลท่านไม่วิตกกังวลกับไขว่าจะหายหรือไม่หายจะเป็นหรือจะตายมากไปกว่าการพิจารณาเป็นสัจธรรมเพื่อรู้เท่าทันกายและทุกขเวทนาสัญญาสังขารอันเป็นเครื่องหลอกจิตในเวลานั้นซึ่งเป็นการทําลายกิเลสในขณะเดียวกันการที่โรคจะหายหรือไม่นั้นท่านมองไว้กับความจริงของโรคของทุกที่ปรากฏอยู่ในเวลานั้น แต่กลมัญญาของใจอันถูกผลักดันออกมาจากกําลังของกิเลสนั้นท่านถือเป็นสําคัญมากสติปัญญาต้องจดจ่อต่อเนื่องกันกันกบทุกข์กับกายและกับใจที่เกี่ยวโยงกันเพื่อความรู้แจ้งเห็นชัดตามความจริงที่มีอยู่แสดงอยู่ด้วยปัญญาและปล่อยวางกันตามลําดับที่สติปัญญาอย่างทราบความจริงการรักษาด้วยยาท่านก็รักษาการรักษาด้วยธรรมโอษฐ์ท่านก็รักษาซึ่งเป็นการเข็นฆ่ากิเลสไปในขณะเดียวกัน ท่านไม่นั่งนอนเฝ้าทุกข์ให้หายด้วยยาอย่างเดียวด้วยใจอ่อนเปียกเรียกหาแต่คนมาช่วยแบบนั้นแต่ท่านเรียกหาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาช่วยบำบัด ร, รักษาไข้และฆ่ากิเลสด้วยในประโยคแหงความเพียรอันเดียวกันผลที่ได้รับโรคก็ทราบว่าโรคเกิดในกายแต่ไม่อาจเสียดแทงจิตใจท่านได้ใจก็อาจหันเชื่อต่อสัจธรรมประจักษ์ตัวสติปัญญาก็คล่องตัวไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวตาย อยู่อย่างสบายหายห่วงนี่คือการรักษาโรคด้วยธรรมโอสถของพระธุดงค์กรรมฐานในสมัยปัจจุบันซึ่งท่านทำกันเป็นประจำในวงสัจธรรมจบจตุภริสุทธิสีลหลวงปู่ขาวท่านมีลูกศิษย์มากมายทั้งพระเนนและครวาดจากภาคต่างๆของเมืองไทยมาศึกษาอบรมศีลธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดแต่เมื่อชราภาพลงท่านพยายามรักษาความสงบเฉพาะองค์ท่าน มากกว่าปกติที่เคยเป็นมาเพื่อวิบากขันจะได้สืบต่อกันไปเท่าที่ควรและเพื่อทําประโยชน์แก่โลกที่ควรได้รับซึ่งมีอยู่มากมายปกติหลังจากฐานเสร็จแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมทําความเพียรราวหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วออกจากทางจงกรมเข้าห้องพักและทําภาวนาต่อไปจนถึงบ่ายสองโมงถ้าไม่มีธุระอื่นๆก็ขเข้าทางจงกรมทําความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดท่านถึงจะออกมาจากที่ทําความเพียร หลังจากส่งน้ำเสร็จก็เข้าทางจงกรมและเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปถึงสี่หรือห้าทุ่มจึงหยุดแล้วพอที่สวดมนต์ภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจำวัดแล้วพักผ่อนร่างกายราวสานาฬิกาคือเก้าทุ่มเป็นเวลาตื่นจากจำวัดและทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจรบินธบัตจึงออกบินธบัตมาฉันเพื่อบำบัดกายตามวิบากที่ยังครองอยู่นี่เป็นกิจวัตรประจําวันที่ท่านจำต้องทํามิให้ขาดได้ นอกจากมีธุระจาเป็นอย่างอื่นเช่นถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆก็มีขาดไปบ้างท่านผู้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้แล้วท่านไม่หวังความสุขรื่นเริงจากอะไรยิ่งกว่าความสุขรื่นเริงในธรรมภายในใจโดยเฉพาะท่านมีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์โดยธรรมภายในอยู่ในท่าอิรยาบทใดใจก็มีความสุขเสมอตัวไม่เจริญขึ้นและเสื่อมลงอันเป็นลักษณะของโลกที่มีความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่ขันทั้งนี้เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่ บริสุทธิ์สุดส่วนมีธรรมแท่งเดียวเป็นเอกอีภาพไม่มีสองกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดีแข่งเด่นจึงเป็นความสงบสงบสุขที่หาอะไรเปรียบไม่ได้จิตที่มีมีความบริสุทธิ์เต็มภูมิเป็นจิตที่มีความสงบสุขอย่างพอตัวไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมให้เป็นความกระเพื่อมกังวลปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แก่จิตดวงนั้นเลยแม้แต่น้อยท่านที่ครองจิตดวงนี้จึงชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบความเกลืน่นกลลวุ่นวาย เพรสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างพอตัวให้กระเพื่อมรับทราบทางทวารต่างๆท่านจึงชอบปรีกเร้นอยู่ตามอธัธยาศัยซึ่งเป็นการเหมาะกับจริตนิสัยที่สุดแต่ผู้ไม่เข้าใจตามความจริงของท่านก็มักคิดไปต่างๆว่าท่านไม่ต่อรับแขกบ้างท่านรังเกียจผู้คนบ้างท่านหลบปรีเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวไม่สนใจอบรมสั่งสอนประชาชนบ้าง ความจริงก็เป็นดังที่เรียนมานั่นเองการอบรมสั่งสอนคนจะหาใครที่อบรมด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มบริ ว, วามเมตตาไม่สนใจกับอามิ t h หรือสิ่งตอบแทนในดใดเหมือนท่านรู้สึกจะหายากมากเพราะการอบรมสั่งสอนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวยัยท่านสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงจริงและมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับด้วยความเมตตาหาที่ทำหนีไม่ได้ นอกจากที่ไปรบกวนท่านแบบนอกลู่นอกทางจึงไม่อาจต้อนรับและสั่งสอนได้ทุกรายไปเพราะสุวิสัยขอพระจะทำไปนอกลู่นอกทางตามคำขอร้องเสียทุกอย่างของผู้ไม่มีขอบเขตความผดีท่านเองขอบพอได้รับความลำบากและเสียหายไปด้วยที่น่าสงสาร